เปนไล่ะไปวัดมาศึกษาปฏิบัติไปถึงไหนแล้วมีดวงตาเห็นธรรมไหมเห็นทุกสมุทัยในโรลกไหมเห็นแต่ชื่อเลยเห็นตัวมั้งต้องเห็นตัวมั้เห็นทุกติดหนงเห็นทุกอย่างแต่ไม่เห็นในโลกไม่เห็นสมุทัยไม่เห็นตัวได้ทำให้เราทุก เห็นก็เห็นผิดตัวไปโทษคนนั้นคนนี้มาทําให้เราทุกข์ mm hmm. แต่ตัวจริงที่ทําให้เราทุกข์มองไม่เห็น mm hmm. ตัวที่ทําให้เราทุกข์ก็อยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ข้างนอก mm hmm. ตัวที่ทําให้เราทุกข์ก็คือความอยากของเรา mm hmm. อยากได้นั่นอยากได้นี่เรไม่ได้ก็ทุกข์ mm hmm. ถ้าหยุดความอยากได้ก็หาทุกจะหยุดได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาสอตัวนี้ที่เราไม่มีกันก็คือสติใจเราลอยลอยไปกับความคิดต่างๆคิดแล้วก็ไปเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา เราก็ไม่รู้จักหยุดมันถ้าเราหยุดความคิดหยุดความอยากว่าความทุกข์เราก็จะหายไปเราเต้องมาปฏิบัติกันเราให้เรียนจบประไตรปิฎกก็หยุดมไม่ได้การเรียนนี่เป็นเพียงการศึกษาวิธีการที่จะมาปฏิบัติการปฏิบัติเท่านั้นที่จะหยุดความทุกข์ใจเราได้หยุด ความอยากของเราได้ถ้าหยุดความอยากได้ <c oughs> ความทุกข์ก็จะหายไปหมดต อ, <c oughs> อนนี้เราไม่มีกำลังที่จะหยุดหยุดความอยากกันเราต้องมาสร้างกำลังกำลังที่จะหยุดก็คือสตินะ <c oughs> สติก็ต้องใช้พุโทโธบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าให้ใจคิดอะไร ถ้าเราบริการพูดโธพูดโ ท, ดโทมันก็จะคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้คนนั้นคนนี้ไม่ได้พอไม่คิดแล้วใจเราก็เบาสบายพอคิดก็หนักอกหนักใจขึ้นมานะ <c oughs> คิดถึงปัญหาต่างๆพอเรามีความอยากให้ปัญหามันหมดไปแต่ปัญหามันไม่มีวันหมดอโลกนี้มันมีแต่ปัญหา <c oughs> เราอยู่ในโลกของปัญหา เพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนพออะไรเปลี่ยนแปลงไปก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาพอร่างกายเจ็บเนี่ยก็เปลี่ยนก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้ว<อ>ก็เป็นปัญหาขึ้นมาพ อ, อสูญเสียอะไรไปก็เป็นปัญหาขึ้นมาแล้วปัญหามันก็เกิดจากความอยากของเราที่มันเป็นปัญหาเพราะเราไปอยากให้มันไม่เป็นกัน อยากให้มันไม่เจ็บกันอยากไม่ให้มันเสียถ้าเราไม่มีความอยากมัาเฉยเฉยมันเจ็บก็เรื่องของมันมันเสียก็เรื่องของมันที่เราชอบไปยุ่งกับมันเองชอบไปใช้เขาให้มาทําอะไรให้กับเราอย่างคนใช่เนี่ยเวลาเขาไม่สบายเราก็เหลื่อร้อน เราต้องทำเองแต่เราไม่ชอบทำเองเราชอบให้คนอื่นทำให้เราถ้าเราทําทำเองได้เราก็สบายไม่ต้องพึ่งคนอื่นอันนี้เราไปพึ่งสิ่งต่างๆมาออานวยความสุขออานวยความสะดวกให้กับเราพึง่งเงินทองพึ่งอำนาจวาสนา เพ่ออะไรต่างๆพอเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเราก็เดืดร้อนเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าเราพึ่งตัวเองได้เราก็ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆนะเราต้องหันมาพึ่งตัวเองเราสามารถมนความสุขในตัวเราเองได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเรา พระุทธเจ้าท่านนั่งใต้โคต้นโพธิ์ท่านพบความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนิบานังปาละมังสุขา<ม>ันอยู่ที่โคนต้นโพธิ์ไม่มีอะไรเลยของนอกกายไม่มีของนอกใจไม่มีมีแต่ของในใจมีสติมีปัญญาที่สามารถระงับความอยากต่าง ให้หมดไปจากใจนะพอใจไม่มีความอยากเข้าใจก็มีความสุขถ้าเราไม่ระ ง, งับความอยากต่อให้เราทําตามความอยากเท่าไหร่ความอยากก็ไม่หมดใช่เราทํามาตั้งแต่เราเกิดแล้วอยากได้อะไรแล้วก็ไปหามาอยากดูอยากฟังอะไรแล้วก็ไปดูไปฟังอยากดื่มอยากรับประทานอะไรเราก็ไปดื่มไปรับประทานแล้วมันหมดไหมัมนก็ยังอยากเหมือนเดิมเนี่ย วเวลาไม่ได้ทำตามความอยากเปไ็นยังไงถูกเอนไปหยุดเราไม่ได้หยุดตัวความอยาก <c oughs> ถ้าเราหยุดตัวความอยากได้เราก็อยู่เฉยๆได้ <c oughs> ไม่ต้องไปดื่มไปรัประทานไม่ต้องไปดูไปฟังอะไร <c oughs> ถ้าจะดื่มจะรับประทานก็ดื่มแบบยา <c oughs> รักษาร่างกายยะร่างกายก็ต้องการอาหารต้องการน้ำก็ให้นไปตาม ความต้องการของมันแต่เราไม่ได้ทำตามความอยากเวลาร่างกายไม่ต้องการเราก็ไม่ให้มันแต่นี่เวลาร่างกายต้องการไม่ต้องการเราอยากเราก็ให้มันอยูเรื่อยให้มันจนกระท่มันบอกพอแล้วพองแล้วร่างกายพองแล้ว น, น้ำหนักทีไรทำไมขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีลดเลย <laughs> ก็เพราะความอยากอยากดือยากรับประทาน นี่แที่เราไปศึกษากันไปปฏิบัติกันก็นเพื่อที่จะให้เราเห็นตัวนี้อะอาริยสัจสี่<ม>คือตัวที่มันอยู่ในใจของเราแล้วก็ก่อกวนจิตใจของเราเรามีอริยสัจที่หนึ่งที่สองแต่อาริยสัจที่สามที่สี่เราไม่ค่อยมีกันเรามีแต่ทุกข์กับความอยาก แต่เราไม่มีริโรธความดับทุกเราไม่มีมั้ง<ม>ที่จะเป็นเครื่องมือมาดับความทุกข์มั้งก็คือศีลสมาธิปัญญาเราไม่ค่อยรักษาศีลกันเพราะว่ารักษาศีลนมันทำตามความอยากยากใช่ไห ม, มอยากจะได้อะไบานทีก็ต้องโกงนิดหน่อยตรงๆแล้วมันจะไม่ได้ อยากจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะต้องถือศีลแปดกันถ้าถือถือศีลแปดก็ไปเที่ยวไม่ได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ก็เลยไม่ได้ปฏิบัติกันไม่ชอบนั่งสมาธิกันไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมกันเพราะฟังแล้วมันขัดกับกิเลสฟังธรรมแล้วมันพื่ทำให้กิเลสต้องตาย กิเลสมันก็เลยไม่อยากไม่อยากให้เราฟังทำกันเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมไปเขาบอกว่าให้บอกทางบ้านให้ส่งส่งผลการฟังวันนี้หน่อยเพราะว่าวันนี้ต้มาเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องขยายเสียงแล้วสองเครื่องคนะืทั้งใน facebook กับใน y o u ูทูบเมื่อวานเมื่อสองสมวันก่อน y ยูทูบไม่เสียงเบาเพราะว่าเครื่องขยายเสียงมันเสีย เหลืออยู่แต่ของของ Facebook แต่วันนี้เข้ามาเปลี่ยนให้ทั้งสองเครื่องเลยะเปลี่ยนราคาดังน้ำยังจะเบาค่ะวันไหนเาตู้เลยค่ะวันนี้ทำไมน่าจะเป็นที่ตัวตัวเก่าตัวใหม่อาจจะไม่ไม่โอเตัวเก่าเลยมาทำไมไม่ใช้ตัวเก่าตัวดีก่าไม่ใช่ ก็เดี๋ยวให้ทางทางบ้านส่งข yes> ้อความเข้ามาหน่อยว่าเสียงวันนี้เป็นไงเสียงเท่าเดิมดีกว่าเดิมหรือเร็วกว่าเดิมฉันเป็่เบากว่าเดิมเยอะเลยฮะเบาก่าเดิมเยอะเลยตัวกายังอยู่ปะป่าต่อต่อกลับไปแล้วเมื่อกี้นี้พอดีตัวนั้นก็มีปัญหาตอนแรกที่ต่อเลยว่าจะเอาไปซ่อมไปซ่อมนะเพราะตอนตอนลองจริงๆก็เสียงดังค่ะ แต่ว่าวันนี้ตอนที่รอเป็นเสียงที่ต่ อ, อก็เลยดังมีคน <laughs> ส่งข้อความมามีคนส่งข้อความเข้ามาว่ า, าว่าไม่ดังเลยอย่าค่ะทุทกคน<ม><ๆ>บอกว่าเสียงเบาเหมือนเลยเสียงเบาเหมือนเลยก็ต้องเล้งเล่งเล่งเสียงหน่อยสุดแล้วสุดสุดเลยในทางบ้านก็ต้องเล่งทางบ้านด้วยเล้งเล่งทางบ้านหรือไม่ก็ใส่หูฟังก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นปัญหาขึ้นมาถ้าอยากให้มันดังก็เป็นปัญหาขึ้นมา แต่ถ้าช่างหัวมันก็ไม่มีปัญหาอะตามมีตามเกิดดังก็ดังไม่ดังก็ไม่ดั ง, ด ง, ดงทํำยังไงได้เราเราก็ทําดีที่สุดแล้วทีนี้เรื่องของธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นขึ้นลงลงความจริงเราทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องเนี่นี่มันเป็นธรรมชาติทั้งหมดแต่เราไม่คิดว่าเป็นธรรมชาติเราคิดว่าเป็นของเราเราควบคุมบงังคับมันได้ บางเวลาเราก็บังคับมันไม่ได้ของที่เราเคยควบคุมได้บังคับได้วันหนึ่งมันก็ทำให้เราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เพราะนี่คือเรื่องของธรรมชาติมันจะไม่ชอบให้เราบังคับมันมันชอบไปตามทางของมันเราต้องเข้าใจธรรมชาติล้วอย่าไปผึงธรรมชาติอย่าไปขัดธรรมชาติเพราะถ้าเราไปขัดไปฝืนมันจะทำให้เราทุกข์ เพราะเราจะไม่ได้ดังใจยอยากเราต้องขัดยินดีตามมีตามเกิดเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไม่ค่อยไปขัดกับธรรมชาติเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเราขัดไม่ได้ใช่ไหมฝนจะตกแดดจะออกนี่เราไม่ค่อยไปวุ่นวายกับเขาเพราะเรารู้ว่าเราต้องรับเขาจะให้ตกเราก็ต้องรับเ ข, เขาจะหยุดเราก็ต้องรับเพราะเราไม่มีส่วนที่จะไปทําอะไรได้เลย แต่ส่วนไหนที่เรายังทําได้เราก็มักจะหลงกันพอเราทําไม่ได้เราก็วุ่นวายใจขึ้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนฝนฟ้าอากาศได้เราจะไม่ค่อยทุกข์กับอะไรอันนี่คือนี่คือปัญญาคําว่าอนัตตาอนัตตานี่ก็คือไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา เป็นของธรรมชาติทั้งหมดแม้แต่ร่างกายเรานี้ก็ไม่ได้เป็นของเราเราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้บางส่วนเราก็ควบคุมได้บางส่วนก็ควบคุมไม่ได้เช่นการแก่การเจริญเติบโตนี่เราควบคุมไม่ได้เวลามันจะเจริญเติบโตมันก็เจริญเติบโตของมันไปเวลามันจะแก่มันก็แก่ของมันไปไม่ว่าเราจะไปทำอะไรอย่างไรก็มันก็ห้ามมันไม่ได้ เวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเวลามันจะตายมันก็ตายขึ้นมาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันถ้าเรารับมันเหมือนกับเรารับฝนฟ้าก็เราก็จะไม่ทุกข์กับมันที่เราทุกข์ก็เพราะเราเราไม่ยอมเรายังอยากจะให้มันสาวยังหนุ่มยังสวยอยู่ยังรออยู่ยังไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่อยากให้มันตาย พอมันเกิดความอย่างเหลานี้นะมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราหน้าที่ของเราก็าคือมาปรับใจของเราให้เข้ากับธรรมชาติอย่าปรับมันเข้ากับความอยากของเราเพราะถ้าปรับเข้ากับความอยากของเรามันจะต้องวุ่นวายแน่นอนเพราะมันจะไม่ได้ดังใจอยากเสมอไปแต่ถ้าเราปรับกับธรรมชาตินี้เราจะส ม, สมหวังตลอดเวลา ฝนตกเราก็อย well, well, ู while, ่ได้ฝนหยุดเราก็อยู่ได้อากาศหนาวเราก็อยู่กับมันได้อากาศร้อนเราก็อยู่กับมันได้ร่างกายก็เหมือนกันเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เวลามันเจริญเติบโตเราก็อยู่กับมันเวลามันแก่เราก็อยู่กับมันเวลามันเจ็บเราก็อยู่กับมันไปเวลามันตายก็ให้มันไปเราไม่ได้เป็นมันเสียหรื อันนี้เราไม่รู้กันความหลงเราไม่รู้ตัวจริงของเราว่าคือใครตัวจริงของเราไม่มีรูปร่างตัวจริงของเรามีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่เราเรียกว่าใจหรือดวงวิญญาณเวลาไม่มีร่างกายตัวใจนี้ก็เรียกกัาเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี่แหละเป็นตัวเราตัวที่เรารู้ ที่ทำให้เรามีความรู้สึกนึกคิดต่างๆแล้วคาว่าตัวเราจริงๆมันก็เป็นมันก็ไม่ฉิดมันก็ไม่มีมันก็เป็นเพียงแต่ความรู้สึกนึกคิดรู้สึกว่ามีเราคิดว่ามีเรามันก็เป็นตัวรู้สึกนึกคิดที่คิดขึ้นมาแค่นั้นเองเวลาไม่คิดมันก็หายไปหมดเวลานั่งสมาธิจิตสงบนี่ตัวเราของเราอะไรหายไปหมดเลย เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวอมันนี่แหละคือตัวเราตัวที่ตัวเราที่เป็นตัวเราโชกขาดตัวเราที่แท้จริงก็คือตัวรู้สึกนึกคิดนตัวรู้สึกนึกคิดนี้มันไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับมันมันไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีอะไรต่างๆแต่ความหลงมันหลอกให้เราไป คิดว่าเราต้องมีเงินทองมีอะไรต่างๆเราถึงจะมีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขเดียวๆได้มาแล้วก็เดี๋ยวก็ความสุขนั้นก็หายไปเดี๋ยวก็อยากจะได้ของใหม่เห็นอะไรใหม่ชอบก็อยากได้พอได้มาแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวสองสามวันอยากได้ของใหม่หของเก่านั้ น, น, นก็ ความสุขนั้นก็นหายไปเอมันเป็นความสุขปลอกความสุขปลอมที่ทําให้เราวิ่งกระทุกงเงาอยู่เรื่อยๆพอเราจับตัวมันได้มันก็ไปโผล่ตรงนั้นะคิดว่าเราจะมีความสุขกับเรื่องนี้พอได้เรื่องนี้แนละ้วอ้าวมันไปโผล่อันนไปโผล่อีกเรื่องหนึงลนะได้กระเป๋าวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะโผล่ที่รองเท้าละเดี๋ยวก็ไปโผล่ที่เสื้อผ้าละเดี๋ยวก็ไปโผล่ที่ สร้อยละที่ข้อมือละสร้อยข้อมือแหแวนเพชรละมันก็มีเรื่องอะไรไปโผ ล, ล่รอเราดักรออยู่ข้างหน้าอยู่ด้วยล้วก็ต้องวิ่งตะคุบเงามปเรื่อยๆพอได้ามาแล้วมันมีเรื่องใหม่โผล่ขึ้นมาอีเนี่ยเราวิ่งตะคุบเงา ม, ามาตั้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กๆเราก็วันละสิบาทยี่สิบาทแล้วก็แฮปปี้นะเดี๋ยวนี้อยู่วันละสิบาทยี่สิบาทได้เป่า ไม่พอแล้วนะมันมีของให้เราซื้อเยอะขึ้นแล้วตอนเด็กๆมีซื้อขนมกินก็พอแล้วแต่นี้มันนอกจากของกินแล้วต้องมีของเล่นนีกของประดับอีกของหลายร้อยแปดพันประการเราคิดว่ามันทำให้เรามีความสุขแต่ ม, มีความสุขที่หลอกพอได้มาแล้วมันก็หมดไปหายไปแล้วยังมาทาให้เราต้องทุกข์กับมัน เพราะเราต้องคอยดูแลรักษาคอยวิตกกังวลต้องหวงต้องห่วงแล้วเวลามันหายไปก็เสียใจอีกนี่คือปัญหาของพวกเราเราไม่รู้ความสุขจริงอยู่ที่ตรงไหนมีพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ทรงรู้ความสุขจริงอยู่ที่การหยุดความอยา ก, กต่างๆนี่พอหยุดความอยากความทุกข์ก็หายไปพอไม่มีทุกข์ใงก็สุขแล้ว เรามาหยุดความอยากกันตอนนี้เรามีแต่อริยสัจข้อที่หนึ่งข้อที่สอง<ม>คือมีทุกข์ทุกข์ษัตรกับสมุทยัทยสัจคือต้นเหตุของความทุกข์คือการมรรตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหามีใครไม่มีบ้าง<ม>ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมีไหมอยากมีอยากเป็นไหมอยากไม่มีอยากไม่เป็นไหม สิ่งที่เราไม่มีในใจตอนนี้ก็คื อ, อนิโรธสัตว์อริยสัจข้อที่สามความดับของทุกข์ความหายทุกข์นี่ไม่เคยหายเลยทุกข์หายก็หายแบบเดี๋ยวเดียวหายแบบชั่วคราวแต่ไม่ได้หายแบบท้าวรหายแล้วเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาใหม่เ<ม>พราะเราไม่มีมรรคมรรคคือเครื่องมือดับความทุกข์<ม>คืออะไรก็ศีลสมาธิปัญญานี่เราไม่มีมีก็น้อย ศีลห้านี้ยังมีไม่ครบเลย อ, อย่าว่าจะศีลแปดคนที่จะมีสมาธิมีปัญญาได้นี้ต้องมีศีลแปดขึ้นไปเพราะจะได้มีเวลามาสร้างมันถ้าเราไม่ถึงศีลแปดเราก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ไปเที่ยวได้ไปไปงานเลี้ยงได้อยู่วัดไม่ได้ ถ้าเราทือสินแปเนี้เราก็จะอยู่วัดได้ เ, ออเพราะว่าเราจะต้องตัด ก, กิจกรรมทางสังคมทางบันเทิงทางาะาอะไรไปเราก็จะมีเวลามาสร้างสมาธิสร้างปัญญากันออถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสามารถละตันหาความอยากได้มีสมาธิมีปัญญาเราก็จะเวลาเกิดความอยากเราก็จะหยุดมันได้ออตอนนี้เราไม่มีกำลังที่จะหยุดมัน เหมือนถ้าเป็นรถยนต์ถ้าเวลารถยางแตกนี่เราก็เปลี่ยนยางไม่ได้นยถ้าเราไม่มีเครื่องมือหรืใช้เครื่องมือไม่เป็นคนใหญ่ผู้หญิงนี่ขับรถนี่ยางแตก็เปลี่ยนยางไม่เป็นมีเครื่องมือก็ก็ใช้ไม่เป็นถ้าไม่มีเครื่องมือหรือใช้เครื่องมือไม่เป็นก็เปลี่ยนยางไม่ได้ใจแล้วก็เหมือนกันใจเราไม่มีเครื่องมือเลยเปลี่ยนใจไม่ได้เปลี่ยนจากความอยากมาไม่อยากไม่ได้ แต่ถ้าเรามีเครื่องมือเราเปลี่ยนได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะเปลี่ยนได้พอรู้ว่าตอนนี้ทุกข์เพราะความอยากก็อยากไปอยากมันสิมันก็หาให้ทุกข์แล้วแต่มันไม่มีกําลังบางทีรู้ว่าอยากเป็นทุกข์แต่ก็ห้ามมันไม่ได้อยู่มไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะไปห้ามมันไปหยุดมันไปเปลี่ยนมัน ถ้าเราไม่มาสร้างเครื่องมือเราก็ไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้หยุดความอยากภายในใจของเราได้นี่คือสิ่งที่เราขาดกันก็คืออริยสัจข้อที่สี่และข้อที่สามที่เป็นผลที่เกิดจากการ ม, มีอริยสัจข้อที่สี่ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะมีนิโรธคือความทุกข์ดับไปหมดนิโรธแปลว่าก็ดับนนิโรธแปลว่าดับ ดับอะไรก็ดับทุกทุกดับทุกจะดับได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวที่จะไปหยุดต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือการมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตัหาแต่เรากลับทาตรงกันข้ามกันแทนที่จะไปหยุดตันหาเรากลับไปสร้างตันหากันอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยู่เรื่อย ปัญหาเลยไม่มีวันจบเนี่ก็อยากจะถ่ายทอดให้เสียงมันชัดมันดังมันไม่มันไม่ชัดก็ไม่ดังก็ไม่รู้จะทํายังไงถ้าอยากก็วุ่นวายใจตอนนี้เป็นงไงลองลองเปิดฟังดูได้ได้ยินไหมไมเหมือนเดิมฟังในวิทยุได้อยู่ค่ะอย่างวิทยุดังอยู่ไหมังชัดเลย อภิิโยก็ไม่ได้ใช้ตัวขยายนี่แหละต่อครับตัวนี้เลยตรงนี้ก่อนที่ได้ฟังฟัง YouTube หรือ Facebook ไม่ดังก็ลองเข้าไปฟังที่วิทยุสิเลือกดัมมะดอมเลยเลือกแปลว่ารัก<ส>ดัมมะแปลว่าทำรัก t ำด m ทคอมกดเข้าไปแล้วมันจะมีตัวเล่น แล้วก็กดตัวตัวแน่นไปเสียงก็มา น, นมีอะไรไหมที่อยากจะถามที่มาที่นี่ก็มาเพื่ออะไรรู้ป่ะมาเพื่อศึกษาวิธีสร้างมรรคกันเราสร้างเครื่องมือมาใช้เครื่องมือถ้าเป็นคนขับรถยางแตกถ้ากลัวเวลาไปแตกอยู่ที่เปลี่ยวแล้วไม่มีใครมาช่วยเราก็จะได้เปลี่ยนยางเองได้ เราก็ต้องไปถามช่างว่าวิธีใช้แม่แรงใช่ยังไงยกล้อขึ้นมาได้ยังไงวิธีจะคันน็อตถอดถอดน็อตถอดยังไงก็มีแค่สองขั้นตอนขั้นตอนแรกก็ยกล้อขึ้นมาให้มันรอยก่อนจะให้มันรอยก็ต้องคลายน็อกก่อนเพราะเวลามันรอยมันเวลาคลายมันล้อมันจะหมุนมันจะคลายยากตอนต้นก่อนที่จะ ยกล้อขึ้นมานี่ให้คลายน็อกก่อนแต่ไม่ให้เอาออกมาหมดเพียงแต่ให้มันคลายเพื่อมันจะได้หมุนง่ายๆตอนตอนต้นมันแ น, น่นต้องใช้แรงมากถ้าล้อมันลอยเราเวลาเราจะเราจะถอดน็อกนี่ล้อมันจะหบุนไปด้วยมันจะทําให้หมุนน็อกไม่ได้ดงนั้นก่อนที่จะยกล้อขึ้นมานี่ต้องคลายน็อตก่อนน็อกมันมีอยู่ประมาณสี่ตัวที่มันติดล้อไว้เนี่ย เสร็จแล้วเราคยยกแม่แรงขึ้นมาให้ล้อมันลอยขึ้นแล้วเราก็ขันเอาน็อตที่สี่ตัวนี้ออกแล้วก็ดึงยางแตกออกมาแล้วก็ยึงเอาดาเอายางสำรองที่มีอยู่ในล้อเอาไปใส่แล้วก็ขันน็อตให้เสร็จแล้วก็ปล่อยแม่แรงลงมาแล้วก็ขันน็อตให้แน่นอีกทีก็เสร็จวิ่งได้จะได้พึ่งตัวเองได้อันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเราก็ต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธไป <Okay. S 2> เวลาอยากคิดถึงอะไรก็อย่าหยุดหยุดความคิดนั้นเสียให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปวิธีที่บังคับให้มันพุโทโธก็คือต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัว mm. ที่ไหน mm. พอคิดถึงผีให้มันหยุดให้ <laughs> มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไป <laughs> ถ้ามันยิ่งคิดถึงผีมันยิ่งกลัวใหญ่ okay. แต่ถ้านมันอยู่กับพุโทโธพุโทโธได้เดี๋ยวมันลืมเรื่องผีไปแล้วความกลัวจะหายไปแล้วจิตจะสงบแล้วจะไม่รู้สึกกลัวจะไปรู้ว่าความกลัวเกิดจากความคิดของเราเองผีมันไม่มีเราไปคิดของมันเองพอได้ยินเสียงอะไรหน่อยเห็นอะไรวุแบแวบหน่อยก็คิดว่าเป็นผีแล้วก็ลวกลัวพอเราหยุดความคิดถึงเรื่องผีได้ความกลัวก็หายไป แล้วต่อไปเราจะไม่กลัวถ้ากลัวแล้วก็พุทโธพุทโธไปถ้าเราไม่มีอะไรมบาบังคับให้เราพุทโธเราก็จะไม่พุทโธกันต้องอย่างต้องไปหาที่น่ากลัวบังคับให้เราหัดพุทโธกันพอเราใช้พุทโธไปแล้วต่อไปเราก็ใช้กับเรื่องอื่นได้เวลาเราโกรธล้วก็พุทโธได้เวลาเราโลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจแล้วก็พุทโธพุทโธไปแล้วเราก็ <ens>. จะ หายโลภหายโกรธนี่นี่คือเราต้องไปหาวิธีสร้างพุโทโธขึ้นมากันสร้างสติขึ้ น, นมาถ้าเราอยู่ที่สบายที่สบายที่ปลอดภัยมันขี้เกียจมันจะไม่เห็นคุณค่าของการพุโทโธเพราะพุโทโธไปแล้วมันไม่มีอะไรแตกต่างกัน mm hmm. ตอนนี้ใจเราสบายพุโทโธพุโทโธไปมันก็ไม่ได้ทำให้มันสบายขึ้นแต่อย่างใดมันต้องเห็นตอนที่เวลามีความทุกข์ใจ ถ้าความทุกข์ใจแล้วเราใช้พุโทโธพุธโทโธนี่เดี๋ยวความทุกข์ใจหายไปแล้วเราจะเห็นคุณค่าของการมีสติมีพุโทโธแล้วต่อไปเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธไปแต่การใช้พุโทโธนี้เป็นการใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ไม่ได้แก้อย่างถาวรเดี๋ยวไปเจอผีก็กลวัวอีกก็ต้องพุโทโธ ถ้าอยากจะแก้ยางถาวรนก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็ต้องถามว่าเรากลัวอะไรก็กลัวตายมันไม่ใช่เลยมันจะทำอะไรเราได้นอกจากทำให้เราตายถ้าเราไม่ตายเราก็ไม่ต้องกลัวหมอนกักลัวงูกลัวเสือ ก, กลัวตา ย, ยานเนแต่เราพิจารณาความจริงว้วร่างกายมันไม่ตายเลยมันอยู่ไปตลอดเลยมันไม่มีวันตายเองเไยนะมันต้องเจอวันตายอยู่สักวัน แล้วถ้ายังกลัวถ้ายังไม่ยอมตายมันก็ยังต้องกลัวอยู่นั่นต้องทุกข์อยู่นั้นแต่ถ้ามันยอมตายมันก็หายกลัวหายทุกข์อยากจะทุกขหรืออยากจะไม่ทุกข์ถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องยอมยอมรับความจริงยอมรับว่ า, าร่างกายมันต้องตาย ค, คิดว่าอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้เอา้าถ้ากลัวอะไรก็ยอมตายใช่ พอยอมแล้วก็หายกลัวแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ตายแล้ ว, ลวต่อไปมันจะไม่กลัวอีกต่อไปต่อไปมันไม่ต้องใช้พูดโทแล้วเพราะถ้ายอมตายแล้วมันก็ความกลัวมันก็หมดไปความกลั ว, วาจากความอยากไม่ตายอยากอยู่อยากปลอดภัยอยากไม่เจ็บมันก็เลยทำให้เรากลัวกัน แต่ถ้าเรายอมรับว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวันใดวันหนึ่งไม่รู้เมื่อไหรมันเกิดขึ้นได้เสมอทุกเวลาอาจจะเป็นตอนที่เรากำลังกลัวตอนนั้นก็ได้ถ้าเรายอมรับว่าอย่างมากก็แค่ตายอย่างมากก็แค่เจ็บว่ายอมเจ็บยอมตายมันก็จะหายกลัวแล้วมันจะไม่กลัวความเจ็บกลัวความตายต่อไป จะอยู่อย่างสบายนี่คือเรื่องของมรรคที่เราไม่มีในใจของพวกเรามีก็มีน้อยเศีลก็มีบ้างแต่ก็ไม่ถึงระดับที่จะทำให้เราไปสร้างสมาธิสร้างปัญญาได้เพราะจะไปสร้างสมาธิสร้างปัญญาต้องมีเศลแปดขึ้นไป เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวมันก็จะกินข้าวเย็นกันเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกันเดี๋ยวจะไปนอนกับแฟนกันมันก็ไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันแต่ถ้าถือศีลแปดมันก็ตัดหมดแฟนก็นอนไม่ได้อาหารเย็นก็กินไม่ได้หลังจากเที่ยงวันก็ปฏิบัติได้ไปถึงเวลานอนเลย ถ้าเราไม่กินข้าวอย็นถ้าเราเกินแค่มื้อเทียงหลังจากนั้นเราก็นั่งสมาธิไปถึงสี่ทุ่มเลยหนังก็ไม่ดูละครก็ไม่ดูเพลงก็ไม่ฟังไปเที่ยวข้างนอกก็ไม่ไปอยู่บ้านหรืออยู่วัดเดินจงกรมนั่งสมาธิสร้างสติขึ้นมาเพื่อหยุดความคิดหยุดความคิดใจก็สงบเป็นสมาธิขึ้นมา ถ้ามันขี้เกียจก็ต้องไปหาที่กลัวให้มันขยันพอไปอยู่ที่หน้ากลัวนี้มันก็ต้องพุโทโธพุทโทแล้วถ้าไม่พุทโทเดี๋ยวใจมันสัน่นใจมันเครียดใจมันทุกข์ถ้ามีพุทธโทพุทโทเดี๋ยวใจมันก็นิ่งเย็นสบา ย, ยาการปฏิบัติต้งที่ไม่ต้องอาศัยเหตุการณ์หรือสถานที่เป็นตัวกระตุ้นให้เราทำความเพียรกันถ้าไม่มีสถานที่ไม่มีเหตุการณ์มันจะ มานอนใจมันจะเออละเหยื่อดอยลงทําแบบแม่เอาจริงเอาจังพระปฏิบัติผูู้บาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบไหว้บูชานี้ท่านเลยต้องไปหาที่ทรมานใจกัน mm hmm. ที่มันน่ากลัวเนี่ยที่มันกันดานอด อ, อยากขาดแคลนมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ต้องสร้างสติเพื่อมาระงับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยาก ตาต่างใจก็เลยมีมรรคขึ้นมามีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาพอมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ดับความทุกข์ได้หยุดความอยากได้ก็ไปนิพพานได้นิพพานก็คือใจที่ไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์นี่อง ไม่ได้เป็นสถานที่เราไม่ได้เดินทางไปไหนเราเดินทางอยู่ในใจเราเนี้ยหยุดความอยากหยุดความทุกข์ใจก็กลายเป็นนิพพานขึ้นมาถ้าใจมีความอยากมีความทุกข์ใจก็เวียนว่ายตายเกิดความอยากก็พาให้เรามาเกิดเวลาเราอยากดูเราก็ต้องมีตาใช่ไหมอยากฟังก็ต้องมีหูใช่ไหมถ้าร่างกายนี้ตายไป ก็ไม่มีตาไม่มีหูให้เราฟังให้เราดูแต่เรายังอยากอยู่ใช่ไหมเราทําไงเราก็ต้องไปหาตาใหม่หูใหม่ต้องไปเกิดใหม่เนี่ยมาเกิดใหม่เนี่ยเร <c oughs> าที่นั่นก็มีร่างการอย่างนี้อยู่นั่งการเก่ามันเก่า ม, มันแก่มันเจ็บมันตายไปแล้ว <c oughs> มันก็เลยต้องมาหาอันใหม่พอได้ใหม่ป๊อกก็ไปหารูปเสียงกลิ่นร ด, ดกันเลยพ่อแม่ไม่ต้องสอนเลยใช่ไหม ว่าลูกเอาตาไปดูว่าหูไปฟังม <c oughs> ีอะไรขอไปแม่เมื่อไหร่จะพาไปเที่ยวเมืเ่อไหร่จะพาไปน่นมานี่น <c oughs> ความอยากมันมีอยู่ในใจมันไม่มีวันตายมันจะตายก็ต่อเมื่อเราไม่ทําตามความอยาก <c oughs> ทุกครั้งที่มันอยากแล้วเราก็ไม่ทําตามเห <c oughs> มือนคนที่อยากสูบบุหรี่ถ้าถ้าอยากสูบบุหรีแล้วสูบมันก็จะสูบไปเรืเร่อย พอสูบแล้วเดี๋ยมันก็อยากเป็นไห ม, มอยากก็สูบอกีกถ้าอยากจะเลิกสูบทําไมเวลาอยากสูบ ก, ก็อยากไปสูบนะพออยากทีไรก็ไม่สูบเดี๋ยวมันก็หายเองตอนนี้ไม่มีความอยากสูบเลยในชะ่ไหมสบายไหมไม่เราไม่มีความอยากสูบเลยแล้วดื่มกาแฟนะยังอยากดื่มกาแฟกันอยู่<า>ว่ามากเลยนะมากทุวันเลยค <laughs> <laughs> ่ะบรรลัยแก้วค่ะ ก็คินอยากจะเริกแล้วไหมก็อยาลดค่ะอยากจะลดเด็ดทำไมรู้ว่าไม่ดีเลยกระดูกไม่ดีค่ะอกระดูกรู้สกวากระดูกเราเราทานแฟเยอะจะทาให้กระดูกเราไม่ดีกระดูกพรุนน่ะก็เหมือนจะเป็นโรคกระดูกอะไรนี่ติดเป็นลุงอไรไปไหนติดกระดูกถ้ากระดูกเสื่อมอะไรประมาน้ค ขนาดรู้ว่าไม่ดีก็อย่างนี้หยุดมันยากลดลงค่ะ ล, ลดได้ก็เลิกได้ก็ยังเสียดายเสียดายรสชาติของมัน <laughs> เสียดายความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟ <laughs> เดี๋ยวก็ลองกลับมาดื่มเลยนะตายไปก็ต้องกลับมา <laughs> รถพบชาติหน่อยก็แล้วกันนี่คือการไปวัดการไปหาครูบาอาจารย์ก็เพื่อไปเรียนรู้วิธีสร้างเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากรดบความทุกข์กันพะตอนนี้เราไม่รู้จักวิธีสร้างพอเรารู้จักวิธีสร้างแล้วเราเอาไปสร้างเราก็ได้ ครบาอาจารย์เมื่อก่อนนี่ท่านก็เหมือนเราท่านก็ไม่มีเครื่องมือเหมือนกันท่านก็ไปอาศัยครูบาอาจารย์รูกอื่นไปศึกษาไปเรียนจากท่านแล้วพอมาปฏิบัติก็สามารถที่จะสร้างเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากดับความทุกข์ได้พวกเราก็ทําได้เพียงแต่ว่าเราอยากจะทํามากน้อยเท่า น, นั้นแหละถ้าอยากมากก็จะได้ทํำมากถ้าอยากน้อยก็ทําน้อย อันนี้ก็ไม่มีใครบังคับเราได้แล้วอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่เราว่าเราจะเห็นความสําคัญของการเจริญมรรคการมาเรียนรู้วิธีดับความทุกข์กันมากน้อยเพียงไรถ้าเห็นว่ามันมีคุณค่ามากเราก็จะทํามากถ้าเห็นว่ามันมีคุณค่าน้อยเราก็จะทําน้อย จะเห็นคุณค่าก็ต้องมันศึกษามันเข้าหาผู้ที่ได้หยุดความอยากได้ดับความทุกข์แล้วเ<ม>ขาจะพัฒ น, นาความประโยชน์สุขที่จะได้รับจากการหยุดความอยากดับความทุกข์ว่ามันดีขนาดไหนมันดีกว่าอะไรทั้งหมดที่มีในโลกนี้นห้เรามีเงินกองเท่าภูเขาก็สู้มีสติ ป, ปัญญาดับความทุกข์ไม่ได้ ก็อะไรพ่อเงินทองเท่าภูเขาก็ดับความทุกข์ไม่ได้กลับจะมาทําให้มีความทุกข์มากขึ้นไปี้วยเพราะจะต้องแบกมาแล้วสิใช่ไมัวนหายเกวมันหายกว ม, มันหมดเอเราก็ต้องบวดอย่างนี้ต้องจากกันอยู่ดีแล้ะจากกันก็เสียดายพระพุทธเจ้าจึงสละราชสมบัติ เขารู้ว่ามันเป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขก็อยู่แบบขอทานนี่แหละสบายขอข้าวเขากินมันละมือ้อพอแล้วกินเพื่ออยู่ไม่ได้กินเพื่อความสุขกินเพื่อดับความหิวดับความทุกข์ของร่างกายส่วนใจก็มาปฏิบัติมาตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากได้รูปเสียงเกล็ดลดถ้ามีสติมีปัญญามันก็จะตัดได้ตัดแล้วสบายเห mm hmm. มือนคนที่ตัดบุหรี่ตัดกาแฟตัดชุรานสบายไหมคนที่ยังต้องดื่มต้องรับต้องสูบนี่กับคนที่ไม่ต้องสูบไม่ต้องดื่มน ใ, ใครสบายบกว่ากันเห็นกันด้วยเหตุด้วยผลแต่ด้วยอารมณ์มันกลับรับไม่ได้ อารมมันบอกว่ายังดีอยู่ยังอร่อยอยู่ต้องดูที่เหตุที่ผลแล้วต้องมาอยู่กับครูบาอาจารย์ให้ท่านบังคับเราบองทีเราบังคับตัวเราเองไม่ได้ไปอยู่วัดนี่ท่านจะบังคับให้ไม่ให้มีอะไรเลยวัดตา่าวันปาสมัยก่อนนี้ทีวีไม่มีไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์ไม่มี วิทยุไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีไม่ให้เข้ามันจะได้ไม่มีอะไรมาล่อใจมากระตุ้นความอยากต่างๆให้มีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิพอเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็จะได้สติได้สมาธิแล้วก็ได้ปัญญาตามลำดับพอได้มรรคแล้วมันก็หยุดความอยากได้ พหมดความอยากก็สบายปัละมังสุขขังนิบานังประมังสุขขั ง, ง, ง, ง, ง, ขงความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการสูบบุหรี่ดื่มกาแฟ<ม>เดี๋ยวก็ทุกมาแนละ้วเดี๋ยวอยากใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวกาแฟหมดหรือบุหรี่หมดนี่ถ้าเกิดเขาไม่มี เขาเลิกผลิตกาแฟขึ้นมาทำยังไงหรือไปอยู่ที่ไม่มีกาแฟดื่มทำยงไง <c oughs> ก็ไม่ไปเลยเรื่องอะไรไปทำไม <c oughs> ไปก็ต้องเอาไปด้วยอย่ยม่ันไม่เป็นฐาระนะมันเป็นเรื่องเครื่องกดดันจิตใจ ทำให้ใจไม่เบาใจไม่สบายใจต้องคอยกังวลวิตกถ้าเราอยากจะสร้างมรรคอยากจะดับความทุกข์อยากทำถ้าเราทำเองไม่ได้ก็ต้องไปอยูเย่เหตุผลที่ว่าเราต้องไปอยู่วัดกันทําที่บ้านไม่ได้ก็พอเพราะไม่มีกำลังใจที่จะดัดสันดานตัวเองต้องไปให้คนอื่นเข้าดัดให้ พ่อแม่ลางทีเลี้ยงลูกนี่ดัดสันดานลูกไว้ได้เนี่ยต้องส่งมันไปโรเรียนกินนอนอย่างนี้พอมันเปโรงเรียนกินนอนมันดื้อไม่ได้เพราะไม่มีใครเอาอกเอใจแต่พ่อแม่นี่โอ้โหมันรู้ทันเรามันรู้ว่าเรายอมมันเสมอทําอะไรมันไม่ได้ทำเลยต้องส่งมันไปโรงเรียนดัดสันดานไปอยู่โรงเรียนกินนอนเนี่ย เราก็ต้อไปอยู่วัดถึงจะสร้างมรรคได้ถึงจะเจริญสติเจริญสมาธิได้นอกจากเราเป็นคนที่มีวินัยในตัวเรา<ม>เป็นคนที่บังคับใจเราได้ก็ไม่ต้องไปก็ได้<ม>แต่ถ้ายัางบังคับใจเรายังไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นบังคับเรา<ม>คนที่ไปอยู่วัดไปปฏิบัติตางวัดต่างๆไปอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์นี้ส่วนหนึ่งก็ต้องการให้ทัานให้วัดเป็นที่ควบคุมบังคับ เราไปอยู่ในบ้านมันเหมือนติดคุกจะไปทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้มันก็เลยทาให้เราต้องทำสิ่งที่เราควรจะทำไม่ทำในสิ่งที่เราไม่ควรทำเพราะมันไม่มีให้เราทำอย่าถ้าอยู่บ้านมันมีสิ่งที่เราไม่ควรทำเยอะแยะไปหมดมีทีวีมีอะไรให้เราดูมีตู้เย็นให้เราเปิดหาอะไรกิน มันก็เลยหยุดความอยากไม่ได้เสียทีถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องเนี่ยไปอยู่ตามวัดต่างๆวัดที่มีกฎมีระเบียบที่เข่งขัดที่ห้ามแม่เราทำกิจกรรมทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายให้เราทำกิจกรรมทางศีลสมาธิปัญญาพ่าเราทากิจกรรมทางศีลสมาธิปัญญามันก็จะเลยงอกงามขึ้นไป สิ่ก็มากขึ้นสติก็มากขึ้นสมาธิปัญญาก็มากขึ้นไปยิ่งมีกำลังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหยุดความอยากหยุดความทุกข์ได้มากขึ้นไปเท่านั้น mm hmm. พอมีกำลังเต็มที่มันก็หยุดความอยากได้เต็มที่ดับความทุกข์ได้เต็มที่มันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลไม่มีอะไรที่จะลึกลับซับซ้อนเลยเหมือนพวกเราที่เรียนจบปริญญาได้เพออ้อเลย เราเรียนกันเต็มที่ใช่ไหมถึงเวลาเรียนเราก็ไปโรงเรียนกันไปเข้าห้องเรียนกันถึงเวลาสอบถึงเวลาทำการบ้านเราทำการบ้านกันถึงเวลาต้องเตรียมตัวสอบแล้วก็เตรียมตัวกันพอเข้าห้องสอบเราก็ทาข้อสอบได้เราก็ได้รับปริญญาถ้าเราไม่เข้าห้องเรียนเราไม่ทาการบ้านไม่เตรียมตัวสอบเวลาไปสอบได้ไหมอย่างพวกที่เรียนรามเนี่ย บาทีเรียนไม่รู้กี่ปีก็ยังไม่จบสักทีก็เพราะเขาไม่มีวินัยในตัวเขาเองที่จะบังคับให้เขาเรียนเข้าห้องเรียนทำอะไรต่างๆที่เขาต้องจะทําเพื่อให้ได้รับปริญญาแต่พวกที่ไปเรียนสถาบันที่เขาบังคัาให้เข้าห้องเรียนนี้ก็จบกันทั้งนั้นจบกันทุกคนใช่ไหมสี่ปีทุกคนเลยนอกจากพวกที่ ไปไม่ไหวจริงๆเขาก็ให้ออกไปคาดออกไปแต่น้อยมากเพราะว่าพวกที่เข้าไปได้ น, นี่ก็ต้องมีมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะเรียนต่อได้นอกจากมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถเรียนได้ปุบัติเหตุหรือไปมีแฟนใหม่มีแฟนซะ ก, ก่อนเนี่ยไปมีแฟนมีลูกซะ ก, ก่อนบางทีก็เลยเรียนไม่ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรก็ ทำตามที่เขากำหนดให้ทำมันก็ได้เดี๋ยวก่อนที่ไปไปอยู่วัดปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอนปฏิบัติตามที่ท่านสอนเดี๋ยวมันก็ได้ผมเดี๋ยวมันก็จบอริญญากันอย่างถ้าทาที่บ้านมันก็ทำแบบทำแบบน้อมลุกคุกคานไปทาตามอารมณ์วันไหนอยากจะทําก็ทําวันไหนไม่อยากจะทําก็ไม่ทําวันไหนทําไปแล้วมีใครมาชวนมีใครมา ก, ก็กวรก็ไม่ทำแต่ถ้าอยู่วัา น, นี่ใครจะมาชวนก็ไปไม่ได้ถึงเวลาไม่ทำก็ไม่ทำไม่ได้เขาคนไหนก็ากทำกันเราก็ต้องทาถึงเวลาเย็นก็ตีละครั้งหกโมงก็ต้องไปแล้วไปบวถไปนั่งสมาธิไปไหว้พระสวดมนต์กันถ้าเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามลาทําได้เราก็ต้องไป อยู่ตามวัดอยู่ตามสถานที่ที่เขามีกรอบเวลาควบคุมบังครับเนี่พวกที่หัดสมาธิใหม่ๆบางทีเขาก็ต้องไปเข้าคอร์สกันเขาเรียกว่าไปวิปัสสนาสามวันห้าวันนั้นเขาก็จะมีตารางเ <c oughs> ตือนกีโมเตื่นขึ้นมานะให้ทําอะไรบ้างนั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จแล้วก็ลุกมาเดินจงกรมเสร็จแล้วก็พักผ่อนรับประทานอาหาร แล้วก็มาเดินจงกรมมาฟังเทศฟังธรรมต่อมันก็มีกิจกรรมทางศีลสมาธิปัญญาตลอดแต่มันเพียงแต่เป็นช่วงสั้นๆเราต้องเอาไปทำต่อเมื่อรารู้ว่าเราต้องเรามีตารางแล้วเราก็ทำตามตารางสิแาที่ไหนได้พากลับบ้างก็เปลี่ยนตารางใหม่หมดเลยตารางเก่าโยมทิ้งไปหมดเลยใช้ตารางเก่าดูทีวีนอน <c oughs> ไปที่ยวที่นู่นไปชอบเป็นที่นี่ <c oughs> มีธุรกิจเยอะมันกันเลาไม่มีสินจะมาที่บัญญากันมันก็มีแต่การมรรตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหากันเยเราจึงมีแต่อริยสัจสองข้อแรกกัน <c oughs> มีมีแต่ทุกข์กับสมุ ท, ทยัยแต่เราไม่มีนิโรธไม่มีมรรคเพราะ <c oughs> เราไม่มีเวลาไม่มี ไม่มีการกำหนดการสร้างาข้อที่สามข้อที่สี่กันมูแต่ไปสร้างข้อที่สองข้อที่หนึ่งข้อที่สองกันตายงำวุาเราก็เลยวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี่แล้วจะวุ่นวายไปถึงวันตายยิ่งใกล้วันตายยิ่งวุ่นวายเดี๋ยวไปตรวจดูประจาปีหมอบอกเลือดไม่ค่อยดีแล้วนะคุณค่าต่างๆมันเริ่มเลวแล้วเนี่ย ตอนนั้นนจะเป็นยังไงเดี๋ยวโรคเกาก็มาโรคอะไรก็มาความดันก็มาเบาหวานก็มาขายมันก็มาพวกเราเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์กันหรือเป่าใช่ไหมบางคนแดงก็เียมันเด็พอกันที่โรงเรียนนะถ้าเราไม่รีบสร้างศีลสมาธิปัญญาเราจะไม่เีอะไรช่วยเราเน่ ตอนที่เวลาจิตใจเราทุกข์จิตใจเราวุ่นวายแต่ถ้าเรามีศีลมีสมาธิปัญญาเราจะผ่านมันได้อย่างสบายนั่นก็ขอให้เราพยายา ม, มศึกษากันนะพยายามปฏิบัติกันพยายามบังคับตัวเราให้ไปเข้าคอสบ้างไปอยู่วัดบ้างเพื่อที่เราจะได้มี การปฏิบัติมีการสร้างศีล ส, สมาธิปัญญากันขึ้นมาแล้วถ้าไปแล้วไปบ่ยมันจะติดใจก็จะไปบ่อยๆเองแล้วยิ่งไปบ่อยก็ยิ่งจะได้มากขึ้นได้ศีลสมาธิปัญญามากขึ้นก็จะมีกำลังหยุดความอยากดับความทุกได้มากขึ้นก็พอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวะเดวะหาปุราภะเปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิช an ิตังปทติตังต um ุมหังคิดเป้เมวะสมิจจตสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปัญญารโสยะถามณิโชติ การโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายูสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุธาปจายิโนจตารุธรมาวัฏานเตอายุวันโอสุขัง ท่าลายนี่ใครอยากจะถามอะไรไหมฟังอะไรไม่เข้าใจอยากจะให้ขยายความก็ได้เพราะบางทีพูดคนพูดอาจจะเข้าใจแต่คนฟังอาจจะไม่เข้าใจถามนะเชิญค่ะความอยากเนี่ยสหรือว่าหนูอยากให้ ทีคนที่บ้านเนี่ยมาเข้าวัดด้วยหรืออะไรเงี้ยมันเปนความจริตผิดหรือเปล่เหมือนกับแบบว่าคือสมีคนนี้ไม่ได้มันต้องรู้ว่ามันทําให้เราทุกข์หรือเปล่าถ้าทําให้เราทุกข์ก็ผิดก็คือมันอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คือเขาคือเหมือนกับคนเราคือเราจะเข้าวัดเนี่ยแต่ว่าเหมือนมีมาเนี่ยคะเราก็อยากให้เขามาด้วยกันใช่เหมือนกับคนเราสิงเสมอกันเลยก็จะเป็นอะไรที่ขัดกันตลอดเลยะก็เลยมีความรู้สึกว่า อยากพออยากเสร็จตอนหลังก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยว่าอยากมากถ้าอยากแล้วไม่ได้ก็จบใะก็จบสิความอยากเคือ พ, อ, พอความอยากอันใดทําให้เราทุกข์เราก็ต้องหยุดนะเหมื อ, อมนลูกเหมือนอะไรอยากให้มาวัดจําเลยนนะอยากอะไรเราไปไปอยากกนะ็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าอือถ้าเราไม่สบายใจเพราะความอยากนั่นแสดงว่าความอยากนั้นไม่ไม่ไม่ถูกและไม่ดี ไม่แต่อยากจะทำบุญแล้วทำให้เราไม่สบายใจเพราะเราไม่ได้ทำอันนี้ก็ต้องหยุดอยากทำเราอยากทำในสิ่งที่เราทำได้เวลานั่งสมาธิเราอยากให้มันสงบมันไม่สงบ ก, ก็ท<ร>ุ ก, กอีกแล้วการนี้ก็ไม่ถูกอีกแล้ว <Yeah. S 1> ก็ต้องนั่งไปมันจะสงบไม่สงบมันเราไปบางคาบกนไม่ได้มันอยู่ที่วิธีนั่งของเราว่าเรานั่งถูกไหมเร mm hmm. านังถูกเดี๋ยวมันก็สงบไป <c oughs> เราไม่ต้องไปว่าไม่อยากไม่อยากขอให้เราได้ทำก็พอแล้วให้เราได้ทำเหตุส่วนผลนี่มันเกิดจากว่าเราทำถูกไม่ถูกถ้าทำถูกเดี๋ยวผลมันก็เกิดขึ้นมาเถ้าไม่ถูกเราก็ต้องปรับวิธีทำให้มันถูกศึกษาต่อไปว่าทำไมทำแล้วไม่ถูกอย่างตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเสียงเนี่ย <c oughs> จะทำาังไงต่อไป <c oughs> ทำให้มันถูกเดี๋ยวก็ดเอง ก็ขอให้เราดูที่ใจเราเป็นหลักเวลาเราไม่สบายใจเนี่เราบอกได้เลยว่าเรากําลังอยากเงี้ะมันนึกอยากทำเรื่องอะไรเท่านี้ถ้าเราไม่รู้จากต้นเหตุเราก็หยุดมันก่อนกัแล้วหยุดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเดี๋ยวพอเราพุทโธพุทโธใจมันก็ไม่สามารถที่จะผลิตความอยากได้ใจก็นิ่งสงบใจก็หายจากความไม่สบายใจ แต่มันเป็นการหายแบบเฉพาะหน้าถ้าเราหยุดพิโทโตรเมื่อไหร่เดียวมันก็กลับผลิตความอยากขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราสามารถค้นค้าค้คว้าหาความอยากได้ว่าเกิดจากความอยากอันนี้ถ้เราก็หยุดมันเสียอยากไปอยากมันแล้วมันก็จะหาย เราไปลราต้องอย่าไปยุ่งกับใครเลยเพราะตัวใครตัวมันก็มเราไปอะไรเข้าไม่ได้หรอกไม่ไ <c oughs> นนแต่ลูกเลยเจ้าค่ะอาล้วเราก็ <c oughs> ทําทําหน้าที่ของเราไปสอนนีเงินไปเรื่เงินไปแต่ถ้ามันไม่ทําตามเราจะไปทาํายังไงนะตอนเด็กๆมันก็ทําตามเราเพราะว่ามันยังเพื่งเราอยู่พอมันเพื่อตัวมันเองได้มันก็ไปนั่นแหละมันก็อยากจะทําไปตามความอยากของมัน เราก็ถือว่าหมดหน้าที่เราแล้วในเมื่อเขาสามารถทำอะไรด้วยตัวของเขาเองได้เขาไม่เชื่อฟังเราแล้วเราก็ไม่มีหน้าที่เจะไปสั่งสอนเขาแล้วแต่เราก็ยังอยากสอนเขาอยู่ก็อยากเราไม่รู้จักหยุดความอยากือความอยากทั้งทั้งดีแลวไม่ดีมันต้องหยุดถ้ามัน มันทาให้เราทุกข์ใจถ้ามันยังไม่ทุกข์ใจก็ทำไปได้อยากได้อยากไปยังไข้อความส่งมามีใครว่ายังไงบ้างเบาค่ะเบาเลยเสียงเบาไม่ได้ยินเลยครับใส่หูฟังแล้วก็ต้องขอใครด้วยนะวันนี้พอดีเข้ามาเอาเครื่องขยายเสียงกันใหม่มามาเปลี่ยนใหม่ คิดว่าจะแก้ปัญหาได้กับยิ่งยิ่งทำให้ไม่ได้ยินเสียงเลยเครื่องที่ใช้อยู่เมื่อวานนี้เครื่องเดียวก็ยังดีอยู่เขาเขาก็หวังดีเห็นว่ามันเก่าแล้วเดี๋ยวมันคงจะเสียก็เลยซื้อเครื่องใหม่มาสองเครื่องเหมือนกันแล้วผมจะไม่มีเวลาทดลองก็เลยมาติดตั้งเสร็จแล้วก็ไปก็เดี๋ยวต้อง ก็ต้องแก้ไขกันไปตามเหตุตามผลแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ต้องแก้ได้ออแอ่ไม่ไ้ต้องแก้ได้คนรอฟังมันเยอะค่ะเนี่ยตัวทางแดงที่ติดอยู่เหนือกล้องเนี่ยเป็นตัวขยายเสียงอีกทีนึง เ, เสียงถ้าไม่มีตัวนี้มันจะเบาเอาเลยต้องติดตัวขยายเพิ่มเสียงนี่มันถ่ายทอดสดเนี่ย กำลังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยเป็นบุ๊กใครอยู่ที่ไหนก็เปิดดูได้แต่าถ้าไปเปิดย้อนหลังดูก็จะไม่ได้ยินใช่ไหมคะวันนี้ก็เบาเหมือนกันบบาก็โชคดีเช่อมานั่งฟังฟังสดดมของวันนี้ก็ได้ดูของวันนี้ก็ได้มันก็เหมือนกันนะก็คุยเรื่องเดียวกันคล้ายกันแต่ว่าแองคิดไปเอคพระพุทธเจ้าบอกคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีมากมายกล่กลี เหมือนน้ำในมหาสหมุทรนี่มีกว้างใหญ่ไพศาลแต่ก็มีรสอันเดียวรสของเทยของน้ำในมหาสหมุทรก็คือความเข<ม>็มรสของธรรมะก็คือการดับทุกน่เองวิธีการดับทุกสอนเรื่องวิธีการดับทุกเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอะไรพูดเรื่องศีลก็พูดดับทุกเรื่องสมาธิก็เพ่อ ด, ดับทุกเรื่องปัญญาก็เพ่อ ด, ดับทุก เรื่องการทําบุญทําทางนี่ก็เรื่องของการดับทุกข์ดับยังไงก็แทนที่ยาวเงินไปซื้อกาแฟซื้อบุหรี่ก็ไปทําบุญนะจะได้ยลิกดื่มเล่กกาแฟมันก็ได้หายทุกข์จากเรื่องกาแฟเรื่องบุหรี่เลอกไปสองแล้ค่ะหรืออย่างนี้ค่ะสองอย่างถ้าหมดสามนี่เลอกไปสองแล้วเลิกดาวเลิกบุหรี่ได้แล้วเลิกกาแฟเลิกกาแฟ ก็ดีไม่มีคำถามจะได้จะได้พักกันเนี่ยมีอะไรไยมโยมอยากอยากถาบเรียนพระอาจารย์ว่าแต่โยมรู้จักพระอาจารย์มาจากโยมจุบค่ะโยมจุ๊บโยมจุ๊บเคยแนะนำให้เปิดยูทูปฟังพระอาจารย์ค่ะเพราะโยมไม่ไม่ไม่ไม่ไม่รู้จักพระอาจารย์ค่ะเฉย ไม่ใช่หรอกคน ย, ยายนไม่รู้จุ๊กให้แนะนําบอกว่าพี่เพิ่นเปิดฟังภราจาแล้วฟังง่ายพราจาฟังง่ายเข้าใจง่ายพูดง่ายเข้าใจง่ายแต่ลึกซึง้งค่ะโยมก็ได้รู้จักได้ฟังมาปีเลยคะ่ะค่ะก็เลยฟังทุกคืนเลยค่ะค่ะต้องยกผลประโยชน์ให้ใหยมจุ๊กโยมจุ๊กครู้ได้ไงวะ วนี้มาก็มาบังเอิญนะคะพระอาจารย์โยไม่ทราบว่าโยเปิลจะมามานั่งแล้วก็เห็นกันก็พยมตั้งใจจะพาโยมเปิ้ลมาแต่ก็ไม่มีโอกาสแกอยู่อเมริกาค่ะเพื่อกลับมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่บบอยู่ลัดเลยเบอรเป็นเซเวเนียเปเวเนียค่ะค่ ะ, <c oughs> ะก็เลยพอกลับมาบอกถามยุ๊บแนะนําพระอาจารย์ของพ่อพระที่สมถะให้พี่หน่อยสิ อะเงี้ยอยากจะไปปฏิบัติธรรมเราอยากจะฟังอะไรน<ม>ี่ค่ะโยมจุ๊ก็แนะนําพระอาจารย์ตั้งแต่มามก็เลยฟังพระอาจารย์มาตลอด<ม>ก็เลยนึกในใจว่าพระยมจุ๊บเขาก็แบบบางทีเขามาก็ไม่ได้แพลนใช่ไหมคะโ<ม>ยมก็บอกเอ๊ะเราจะมายังไงอ่ะไปหยุดที่ไหนอวัดอยูอ่เมืองชนไปยังไงอ่ะแล้วพอดีเรียนภูสมาธิกับพี่ๆเนี่ยค่ะแล้พราะว่าพิสุพิสุก็อยากไปหาพระอาจารย์คือชาติจมเลยองไปยังไงอะอยู่ที่ไหนอ่นออะ อยู่ตรงไหนอ่ะฟังแต่ในยูทูบใช่ไหมคะว่าบนเขาธรรมะบนเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ะเห็นบรรยากาศเน่ยนะคะเห็นอย่างนี้ค่ะก็เลยวันหนึ่งพี่สุ ก, ก็บอกเมื่อาที่แล้วใช่ไหยวิสสวิสที่แล้วเนาะนก็เลยบอกว่าเอ อ, ปอไปไหมไปไหมเราไปหาว่าช้างมีพี่แดงจะพามาท พ, พ, พี่แดงค่ะก็เลยมีใจก็เลยรวบรวมกันค่ะ ชวนสามีมาชวนพี่ๆที่เรียน่ไม่เามานานแล้วมาต้องยี่สิบกว่าปีค่ะนี่โยมเป็นคนของโยมค่ะไม่มีใครรู้จักโอ้ค่ะตั้งยีสิบปีแล้วเหรอยี่สิกว่าปีแล้วัแต่เรามาอยู่วัดยาใหม่ๆค่ะก็เลยโยมต้องขอบพระคุณทั้งพี่แดงแล้วก็โยมยกด้วยที่นำโยมเป็นสะพานบุญให้โยมมา พระอาจาย์ได้วันนี้เราจะพาทุ ก, <c oughs> กหวังว่าคงจะเอาไปปฏิบัติกันให้เป็นคนมากขึ้นค <c oughs> นะเพราะว่าผลมันอยู่ที่การปฏิบัติค่มันไม่ได้อยู่เวลาว่าอยู่เฉยๆแล้วมันจะงอกอะไรขึ้นมาเหมือนต้นไม้ใบห ญ, ญานี่มันไม่ต้องไปทําอะไรมันไห้เวลาผ่านไปมันก็จเจริญเติบโตได้แต่ผลทำทำนี่มันไม่จเจริญเติบโตไปตามการตามเวลา มันจะเรินมเติบโตตามการปฏิบัติของเราต้องปฏิบัติให้เข้มข้นมากขึ้น<ม>เพิ่มมากขึ้นไประดับปฏิบัติอยู่ตรงไหนระดับของคนมันก็อยู่ตรงนั้นงนั้นเรามาถูกทางแนละ้วเพียงแต่ว่าเราต้องทําให้มันมากขึ้นทำให้มันบ่อยขึ้นฟัท<า>งท่านอ า, นานจารย์เพื่อนนี้ก็มีกําลังใจมากขึ้นคะเพราะว่าพวกเรานี่จบครูสมาธิกันอ่แตั 8-9 คน จบเมื่อวานเพ้่ปฏิบัติเองไหมคำว่าจบนี้แปลว่าไงจบหลักสูตรจะได้ปฏิบัติต่อเนื่องค่ะไม่ได้จบเพราะว่าได้ผละแล้วเจ็บยังไม่รวคค่่่ะลกสดขออองงพิิยาุนทโืไู้วิิิธีปฏบัต่ แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ได้คหาได้ผลกำลังปฏิบัติทฤษฎีที่จะดีเป็นทฤษฎีปฏิบัติส่วนส่วนปฏิบัติก็แบบกำลังกำลังกำลังคืบไ ป, ปบยังไม่ได้ถึงผลผลของสมาธินีจิตต้องรวม<ช>เป็นสักตวรู้เป็นอัปปนาอันนั้นอนะ่ะถึงจะเรียกว่าสำเร็จทางสมาธิจบทางสมาธิ ถ้ายังไม่จบก็ต้องพยายามทำให้มันจบนั่งสมาธิเทลายห้านาทีสี่นตทีกัลวุกลงไปนิ่งสบายไม่ว่าเราได้สมาธิเราต้องการเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการอยู่ตรงไหนนั่งปุ๊บดูลมหายใจปุ๊บพุทธภูมปุ๊บมันก็เข้าไอถ้ายังเข้ายากอยู่แสดงว่ายังไม่ชํานาญ เข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างพอได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนกันเรียกว่าล้มุกคุกคาน ย, ยัยงไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งถ้าทำงานแล้วไม่ล้มลุกคนที่เดินได้วิ่งได้นจะไม่ล้มเท่าไหร่แต่<ช> <c oughs> ยังล้มลุกคุกค า, านแสดงว่ายัางยืนไม่ได้ยังเดินไม่ได้ยังวิ่งไม่ได้ก็ต้องพยายามทําให้มากขึ้นทําให้บ่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ทุกคนเหมือนกันหมด ต้องเริ่มต้นแบบน้่มลุกคุกค้างกันทุกคนขอให้ใช้คาของน้องตาเท่าบอกให้สู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยแล้วรับรองได้ว่าเราจะต้องเป็นผู้มีชัยชนะในลำดับต่อไปถ้าเราเราถอยเมื่อไหร่เราก็แพ้เมื่อนั้นน้นทางนี้ไม่มีคำว่าถอยมีแต่ทางว่าสู้อย่างเดียวสู้ไปเถิดมันน่ายากเย็น เกินความสามารถของเราแล้วแล้วจําเป็นที่จะต้องแบบแค่มีสินห้าไม่พอต้องให้ได้สินแปดให้ได้อะไรด้วยนื่องจําเป็นเพราะว่าถ้าเรามีสิน 8, แปดเราก็จะมีเวลามาปฏิบัติได้เป็นเป็นที่ถ้าเราถือสินห้าเราก็จะแบ่งเวลาไปทําอย่างอื่นนะแบ่งเวลาไปกินข้าวย็นแบ่งเวลาดูข่าวหนูน้ำ บางเวลาไปนอนกับแฟนมันก็เลยเวลาที่จะมาทำให้มันได้เต็มที่มันทำไม่ได้นั่งสมาธิก็จะหลับกินข้าวเย็นแล้วกินอาหารเย็นเสร็จเราไปนั่งสมาธิด้วยก็อยากจะหลับอยากจะนอนก็นอนเลยดีกว่าได้อย่างมากก็สิบนาทีนั่งสมาธิก่อนนอนต่นเช้าขึ้นมาก็จะนั่งสักสิบห้านาทีก่อนไปทางาน อันนี้ยังเป็นเทว่าเป็นการชิมอาหารยังไม่ได้กินอาหารถ้ากินอาหารก็ต้องแบบพระปฏิบัติกันตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยท่านไม่ได้มีอะไรท่านมีแต่ฝึสติสมาธิปัญญาสามตัวลอดเวลาท่านจึงได้เป็นครูบาอาจารย์ท่านจึงได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆกันเราถ้าทําแบบนี้ยังไม่มีวันที่จะบรรลุได้ เขาไม่ได้พูดให้ท้อแท้ใจแต่พูดให้รู้ว่าเอยากอยากคิดว่าทําแค่นี้พอแล้วเอยังต้องทําอีกมากแล้วก็ทําได้ก็เพิ่มไปเรื่อยๆตอนต้นก็ลังเอาถือศีลแปดในวันพระก่อนหรืวันหยุดก็ได้วันไหนที่เราสะดวกที่เราถือศีลแปดได้แล้วก็ถือศีลแปดไป พอถือแ่ามันจะทําให้เรามีเวลาได้ปฏิบัติมากขึ้นการถือสินแบกนี้ต้องควบคู่กับการปฏิบัติไปด้วยถึงจะดีถ้าถือสินแบกเฉยๆไม่ปฏิบัติมันก็จะได้ประโยชน์น้อยอได้เพียงแต่หักห้ามจิตใจไม่ให้ไปทํากิจกรรมต่างๆแต่มันจะไม่ได้มามีเวลามาสร้างมรรคที่จะมาหยุดความอยากต่างๆได้ มันต้องถทำไปพร้อมๆกันรักษาสินแตกไปด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยเหมือนกับเวลาที่เราไปเข้าหลักสูตรสมาธินี้เ<ช>ขาให้ถือสินแตกหรือเป่ะไ<ส>ม่ก้าวสินนะแล้วเขาก็ให้ปฏิบัติมีเวลาปฏิบัติแบบแบบมันเปฏิบัติอตต่อเ น, น, นื่นองใช่ไหมตอนต้นเขาให้ไป ไปเรียนตามเสาอาทิตย์ก่อนเนี่ยนีมีหลายอคอร์อสเนาะคอเสาอาทิตย์ก็มีคอร์สธรรมดาก็มีค่ะแล้วหกเดือนนะคะประมาณสองรชั่วโมงองชั่วโมงเพราว่าวถ้าใครจะเรียนวันธรรมดาก็ไปทีห้ามงเย็นถึงสอทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าคนาที่ไม่ว่างวันธรรมดาจะไปเสาอาทิตย์ก็คือเต็มวันเสาอาทิตย์เต็มวันค่ะคือในระยะเวลาหกเดือน วันเสาร์ไปถ้เป็นสาวที่สาที่ก็คือหกเดือนเหมือนกันถ้าการสุกก็คือต้องให้ได้หกเดือนเหมือนกันแต่ถ้าการสุกนี่จะต้องให้ห้าบงเย็นหกบ่งเ็นถึงสองชอ่ค่ะมายความว่าเวลานับชั่วโมงนี่จะต้องให้ได้สองร้ชั่วโมงเอเห็นถ้าสาวเทนก็ต้องานยาวกว่ายาวที่ต้วงทั้งวันค่ะเราที่ต้อั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น แล้วมีการบ้านด้วยนะเจ้าค่ะมีเดินจยกลมครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิคุึชั่วโมงการบ้านนี้จดทุกวันทุกวันแล้วก็ควอให้ต้องต้องให้ทำมาทำอะไรทำนี่บ้างค่ะก็เหมือนกับท่านบอกว่าให้ค่าให้เดินจยมกลมนั่งสมาธิทุกวันเดินครึ่งนั่งครึ่งทุกวันละหนึ่ชั่วโมงคือเหมือนกับจริงๆแล้วคือท่านเป็นจุดสบายให้ปฏิบัติทุกวันนะคะแล้วก็ติ๊กว่าวันนี้เราทำแล้วอะไรก็เหมือนให้ตอนให้ใ้ทำไปเป็นเป็นฮบบิตนะคะตอนนี้ แล้วขราหกเดือนแล้วก็จะไปออกทุนดวงกันอะไรเงียสวไคือเดินดงอะไรเนี้ยไปทุนดงกี่วันไปกี่วันสามคืนสักสามคืนสี่วันทุกคนต้องไปหมดใช่ไหมผ่าตัดก็ตามความพร้อมค่ะแล้วแต่ใครอยากไปก็ได้ไม่อยากไปก็ไม่ไปไมก็ได้แลวไปทุนดองนี้ก็ให้เดินขึ้นเขาอะไรหรือว่าขึ้นดอยอินทนนท์เนี่ยดอยอินทนนท์ เดินไปตลอดตั้งแต่เดินแล้วก็ไปเอถึงที่พักก็พักแล้วก็ค้างแรมแล้วก็ลุกขึ้นก็เดินไปถ่ายเนี้ยค่ะสามวันนะครับไปถึงไปถึงที่ฐานเทพนะคะที่วัดเทพแล้วก็จากวัดเทพก็คือเดินขึ้นดอยพ่อก็จะเดินด้วยเดิ้วยกันก็จะเดินสามกสิบแล้วก็ก็เยือนระยะทางใหม่ไม่ต้องสิ้นพันมาก แล้วเดินทังวันเลยเหรอครับอืมก็เดินแล้วก็มีพักบ้างค่ะถึงจุดพักก็พักบ้างแล้วเดินต่อสุดเยพอเย็นก็ถึงจุดที่เอที่จุดพักอะไรนะคะก็ปฏิบัติแล้วก็นอนแล้วพับพักก็มีการปฏิบัติก่อนนอนค่ะนั่งสมาธิกันค่ะก็มีสุดนั่งสมาธิปกติแล้วอนุญาให้กินอาหารเย็นนะไม่มีเออไปที่นั่นได้ค่ะ น้องคนดอยน้องคนที่ขึ้นดอยขึ้นดอยนั่นสิถือสิแปดคนที่อยู่ฐานเทพสินตัวสินห้าสิแปดก็ให้สองมือละช้ากับเที่ยงเจ้่านเยบเย็นกลามีน้ํปลาหน้าแทน่าน่ะคือคนอยู่ที่ฐานเทพนี่คือคนที่อยู่คนที่อายุหกสิบอับ่ะเจ้าผ่านล่าหาคนที่อยู่ นั่นก็อันเดอร์หกสิบเจ้าค่ะวันที่ขึ้นฐานยอยข้างบนนะคะฐานพอมก็ขึ้นสูงงไปเ่ะนี่้าคนเจ็ดสิบปสิบก็ขึ้นไปไม่อะไรแล้วแต่มีข้ถ้าไหวถ้าไหวนะคะถ้าไหวท่านก็ให้ขึ้นต้องมีกระนายะนายแพ้อย่างนี้ม่ให้ได้เหรอคะอ๋อเหรอคะพอมีปัญหาคือเรามีปัญหาขึ้นแล้วลงไม่ได้ตอนตอนขึ้นนีพลัง กำลังอยากจะขึ้นเยอะอแต่ว่าสุขภาพไม่ให้ก็เลยท่านตัดตั้งแตอ๋อไม่ให้ขึ้นแล้วอ๋อคงมีอะไรไห ม, มไม่มีจะได้ปล่อยกลับบ้านนะนะคือว่าขอสมควรแก่เวลาจะขอให้ท่านต้งนำม า, าสิ่งที่ได้อยู่ในฟังในวันนี้ไป <c oughs> พินิศพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ